ให่งธาราองค์นาคเกรียงไกรยอก่อนกราบไว้วิสุท ธ, ธิเทวาอาองทรงเนาาราเกตแก้วจอมปราดราชราชทรงใจเด็ดพัทาราอาอง ก็รัก ภาพ